เราเพึ่งพากันตั้งใจให้ดีสังขารร่างกาย น, นี่ไม่คอยอยู่ท่าต้องรีบทำความเพียรเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาถึงวันไหนเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ฝึกตน ไสู่โลกหน้ามีแต่ไปเสวยผลบุญผลบาปที่ตนทาในโลกนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรให้เหมือนอย่างที่เราเกิดมาเป็นคนในโลกนี้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้มันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่าง อันเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้การต่อสู้กับอุปสรรคต่งางๆ่ยทาให้บุญบา ร, รมีแก่กล้าถ้าบุคคลไม่เห็นทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ก็จะไม่ต่อสู้กับเหตุแห่งทุกข์จะปล่อยตนให้ลอยไปตามเหตุแห่งทุกข์นั่นนั่น เทที่เราเกิดมาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกภัยพิบัติต่างๆแวดล้อมอยู่ชีวิตอันนี้เลยขอยคุกคามชีวิตอันนี้ให้จารุดสุดโทรมไปเรื่อยๆอันนี้ทันเดียวว่าบริวารของความตายคือเส่นเจ็บตาเจ็บหู ปวดสีตาเจ็บแขนเจ็บขาอะไรหมดนีน่นะมันบริวารของความตายทั้งนั้นเลยมันมาเตือนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าระวังให้ดีไอ้ความตายมันจะมีอยู่ข้างหน้านั้นไม่นานนักต้องรีบสำรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจให้ ตกไปในที่ต่ําอันที่ต่ํานั้นท่านหมายเอาความโลภ ค, ความโกรธความหลงสามอย่างนี้แหละเป็นเหวลึกของดวงจิตผู้ไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสสามกองนี้ไว้เดี๋ยวจะกิเลสสามกองนี้จะฉุดค่าเอาจิตนี้ให้ตกลงไปในเหวแห่งความทุกข์ ความดืดร้อนานานาประการดังนั้นให้พึงประคองจิตของตนไว้ให้ดีอย่าให้มันวันไหวไปตามชราพยาธิมรณะเพราะว่าถึงวันไหวไปได้มันก็ไม่คืนดีคืนมาอันการปล่อยจิตให้วันไหวใช่ไหมมันเป็นทุกข์การควบคุมจิตให้ตั้งมันอยู่ได้มันไม่ทุกข์ ไม่เดืร้อนนั่นมันก็ต้องเอาทางนี้แหละผู้มีปัญญาเพื่อเทียบกันดูแล้วนะเอาทางไม่หวั่นไหวนี่นะ อ, นนอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและในจิตต่อจากนั้นไปก็เพียนพยายามละเหตุแห่งทุกข บางสิ่งบางอย่างที่จิตใจมันยึดถือไว้นั่นในเรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ให้ตัวเองแหละรู้เองว่าตนได้ยึดเทแถแห่งทุกข์ไว้อย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องกําหนดรู้เมื่อรู้ชัดแล้วว่านี่คือเอตห้เกิดทุกข์ก็กำหนดละมันนี่แหละการทาความเพียร ให้เข้าใจเมื่อไม่เห็นตัวมันไม่เห็นเหตุนั้นจริงจังเข้ามันก็จะไปละได้อย่างไรเพราะไม่เห็นนี่เหมือนอย่างที่เราไม่เห็นงูพิษอย่างนี้เลยการไปเหยียบมันเข้ามันก็ขบกัดเอาต้องได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อใจเนี่ยเขาไปยึดถือสิ่งใดในกิเลสสามกองเนี่ยเป็นต้องได้รับทุกข์ทนทรมานจริงๆนะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น菩萨ตาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธโอริษัตให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ให้เห็นคุณของการเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นคุณเป็นบุญกุศลอันสูงจอง จริงๆนี่เมื่อผูใ้ใดเห็นคุณแห่งการทําความดีดังกล่าวมานั้นก็จะขยันทําความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปเพราะว่าเห็นคุณค่าของความดีแล้วว่ามันอำนวยความสุขให้แก่ตนอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก่อนมาเมื่อยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทำนี่ จิตใจมันเล่าร้อนอยู่พอปานนั้นโมโห โ, โทโสก็ร้ายก็เกิดขึ้นในใจมากมายเมื่อมาได้ปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วพิจารณาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแตกความดับไปเสมอเสมออย่างนี้มันก็บรรเทาวความโรคความโกรธความหลงล ง, ลงมากมาย พอเห็นมองเห็นกายนี่มันไม่ยังยืนไม่ทราบว่าจะสะสมไปอะไรหนักหนานี่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็คิดเห็นอย่างนี้แหละอผู้ใดที่มันยังอยู่ในโลกนี่มันก็ใช้สอนไปเองมันแหละสะสมบัตินั้นนะอืเมื่อสอนใจได้อย่างนี้มันก็ไม่ห่วงไม่หวงในทัพย์สมบัตินั้น ตลอดถึงอสภาพร่างกายซึ่งเป็นทรัพย์ภายในอันนี้มันก็ปงได้วางได้ในเมื่อมาเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างว่ามานั้นน ะ, ะดังนั้นแหละทุกคนอย่าพากันประมาทพระญามัจจุราชนี่มันมีอนุภาพไม่ใช่น้อยเมื่อมันมาเข้าสิงร่างกายของผู้ใดทำให้ร่างกายของผู้นั้นเจ็บปวด ทุกขเวทนาอย่างยิ่งนี่ทางที่จะบรรเทาทุกขเวทนานี้ได้ก็โดยอาศัยความอดความทนอย่างหนึง่งความรู้เท่าว่าเวทนานี้ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพ่งให้เห็นเวทนาหเห็นทุกขเวทนาก็ดี สุขเวทนาคนีก็ศักแต่ว่าชื่อเฉยแต่เมื่อเพ่งโดยปรมัตแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยมีแต่สภาวธาาาารรมอาศัยกันอยู่ทมทั้งหลายเหล่านี้มันวิบัติปองดองกันไม่ได้ก็กระทบกระทั่งกันถึงซึ่งความเจ็บปวดทุกขเวทนาในใจดังกล่าวมานั่นนี่ ก็เฉพาะได้เห็นได้แล้วว่าอนุภาพแห่งคุณงามความดีเนี่ยมันมีแต่จะนําจิตใจของคนให้พ้นจากทุกไปโดยลําดับไม่มีทางถอยหลังเพราะว่าท่านถอยหลังไปมันก็ไปเจอศัตรูเก่าอีกแล้วอย่างนี้ถ้ไปหน้าเรื่อยภาคเพียรไม่ยามละเหตุแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆ กิเลสเหล่านี้มันก็อ่อนกําลังลงมาเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีเป็นกิเลสก็ดีมันก็ร่วนตั้งแต่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนทางนั้นแหละอืมีเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่เสื่อมตั้งแต่ความรู้ยิ่งเห็นจริงเท่านั้นแหละ ดังนั้นพยายามสอนใจของตนให้เป็นคนชอบความรู้ยิ่งความเห็นจริงเมื่อมันชอบอย่างนั้นมันก็พยายามแลเรื่องมันนะพยายามเพ่งพิจารณาความจริงของสังขารทั้งหลายบ่อยๆเข้าไปมันก็เห็นแล้วมันก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ยังยืน ของร่างกายสังขาร น, นี้ด้วยปัญญาบ่ะนี่นะไม่ใช่เห็นด้วยสัญญาไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนอย่างตาหนังที่มองเห็นคนตายหรือคนแก่หมูนั่นแต่ถ้ามองเห็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาในใจมันก็ไม่ผิดอะไรอ่ะก็เป็นอุบายเตือนตนเนี่ยเราก็จะแก่เหมือนอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้นะ ดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญสมาธิภาวนานี่มันหายยากเต็มทีนะได้เกิดเป็นคนมาแล้วเมื่อไม่มีศรัทธาเรื่อมใสในพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฝึกตนอย่างว่านี้นนตลอดถึงสติปัญญาอะไรก็ดี มันก็ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกตนบ่อยๆนี่แหละหัดคิดหัดวิจารนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันเห็นโดยแจม่มแจ้งนี่นะหัดคิดหัดวิจารณ์ข้อธรรมะ ต, ต่างๆที่ตนได้รับเรียนมาให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจให้มาพิจารณาเห็นคุณค่าแหง่งใจที่สงบระ ง, งับ นั่นให้ใหมากมากทีเดียวคนเราถ้าใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่ค่อยจะน้อมไปสู่ความสงบเรื่องมันนะมันมีแต่จะน้อมไปสู่ความวุ่นวายความสนุกสนานชั่วเล่นตัวคราว นั่นแหละเป็นส่วนหลายทีเดียว <c oughs> ดังนั้นนะจึงพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้เท่าของไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้ต่างความเป็นจริงและปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อหัดปล่อยหัดวางได้ มันก็เบาไปเรื่อยแหละใจนี้นะมันก็เบิกบานทองใสไปความทุกข์ก็ไม่ค่อยปรากฏในใจเพราะว่าเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์เสมอๆไปดังแสดงมาเข้ามาบวชมาเรียนในศาสนานี้แล้วให้ตั้งอกตั้งใจ ให้ถือว่าเพศบรรพชิตนี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเรียกว่าบรรดาเพศทั้งหลายในโลกนี้นเพศของสมณะนี่แหละถือกันว่าเป็นเพศที่สูงสุดเลยทีเดียวหมายความว่าการนุ่งห่ม การนุ่งหมความเป็นอยู่นี่แตชื่อว่าเป็นอยู่อย่างสะอาดสะอา้านไม่ได้เป็นอยู่อย่างมุมมามสุกระปกโสมมอย่างผู้บริโภคกรรมคุณทั้งหลายนี่พี่ารณาดูให้ดีอันนี้ท่านจืงอเรียกว่าอุดโมโอเพตน่ะแล้ว อุดอมมเพศนี่นะสามารถรองรับเอาอารหัตตะผลไว้ได้ถ้าเป็นครือหัตอย่างนี้เมื่อได้บรรลุมาผลแล้วหากไม่บวชแล้วก็ต้องนิพพานในวันนั้นเลยจะอย่างนั้นอรหัตตผลนั่นไม่สามารถจะรองรับเอา เพศคารงหัดไว้ได้นั่นลองคิดดูสมณะเพศนี่มีคุณค่ามาหาศาลถึงพราดนั้นนะสามารถรองรับเอาอารหัตตะคุณไว้ได้หมายความว่าท่านผู้บรรลุอรหัตตะผลแล้วย่มีชีวิตเป็นอยู่ไปได้จนตลอดหมดบุญหมดกรรมลงไปนั่นถึงจะ เข้าสู่นิพพานไป เ, เพราะฉะนั้นเราทุกคนให้ภาคภูมิใจที่เราได้ เ, เป็นนักบวชได้สละกิจบ้านการเรือนมาประพฤติธรรมจรรันทร์บำเพ็ญเอกขมมะบา ร, รมีหรือว่าบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งสิบประการนั่นแหละ เช่นทานะบารมีเราก็มีเราบินทบาตได้มาแล้วก็ไม่ได้ห่วงแห็นอะไรไว้เลยฉันเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นแล้วก็สละไปแล้วแต่ใครจะเอาไปบริโภคทีนห้นก็ไม่ห่วงแห็นเนี่ยก็ชื่อว่าเราได้ให้ทานอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยพูดถึงวัตถุกอดีนี่ตลอด ถ, ถึงปัจจัยทย ท, ยทานอื่นๆ ที่ได้รับทานมาจากผู้มีศรัทธาถวายถ้าหากว่ามันเหลือเผือก็เราก็แจกให้แก่ผู้อื่นไปไม่ได้สะสมไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวหมู่นี้มันก็ได้บำเพ็ญกันมาแล้วนี่ฐานบารมีไม่ใช่ไม่ได้ทำนะเป็นนักบวชกว็ดีเีรแล้วบารมีก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์อ่า เป็นผู้สำรวมกายวาจาไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละเราต้องให้ถือว่าการที่เราสำรวมกายวาจาตามพระพุทธบัญญัตินั้นถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราเพราะว่าการที่ คนเราจะพ้นทุกไปไม่ได้นะพ้นจากบาปจากกรรมไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วก็ทำมันไปเลยนั่นนะต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังเกิดขึ้นในโลกพระองค์บัญญัติสิ่งที่เป็นบาปไว้ให้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปไม่ควรทำเมื่อมาได้ศึกษารู้แล้วเราก็จึงได้เว้นนะไม่ทาสิ่งที่เป็นบาปนั้นนะอัะ มันเราจึงได้เป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในตัวได้ดังนั้นจึงว่าควรภาพภูมิใจเธิดทูนพุทธบัญญัตินี่ไว้เหนือเสียนอย่าไปร่วงเกินเป็นเนนก็ต้องรักษาศีขาบทสิบประการนั้นให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีกับปฏิบัติตามเสกียวัฒเจ็ดสิบห้าข้อนั้นนะอ่านนะ เป็นพระก็ต้องสำรวมในพระปฏิโมกขให้ตลอดนี่เราต้องเทิดทูนพุทธบัญญัติในหมู่นี้ไว้ให้เท่ากับชีวิตของเราเแหละเราเอาชีวิตแรกเอาศีลเอาธรรมอย่าไปกลัวล้มกลัวตายเพราะปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั้นมันไม่ตาย ถ้ามันตายพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้อคงบัญญัติธรา ม, มให้คนเราทําความชั่วทางขางนี่ไม่ใช่บัญญัติให้คนไปล้มไปตายไม่ใช่อย่างนั้นนะอะเมื่อเราสารวมในสิ้นในวินัยได้มันก็เป็นสีละบารมีไปนั่นแนหะในขัมมะบารมีเราก็พยายามผ้ากายผ้าใจให้ห่างจาก กิเลสการรมวัตถุกรรมดังนั้นเราจรึงได้มาพักอาศัยอยู่ในป่าเขาลำนาภัพห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอย่างนี้นี่แหละก็จึงเรียกว่าเป็นผูน้ประพฤติในขมมบ ร, รมี ทางกายก็สำรวมด้วยดีทางวาจาก็ไม่มายมายสาไถ่กับเพศตรงกันข้ามทางจิตใจก็สำรวมระวัง